วินีตะวัตถุเรื่องช่างย้อมห้าเรื่อง132สมัยนั้นพวกภิกษุฉ ป, ปะคีไปที่ลานตากผ้าของช่างย้อมได้ลักห่อผ้าของช่างย้อมแล้วเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วพวกเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องอบัตปาราชิกวงเล็บเรื่องที่หนึ่งสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้ไปที่ลานตากผ้าของช่างย้อมพบผ้ามีราคามากเกิดไถยจิตขึ้นมาแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่า